อายาที่40นะครับขอทบทวนนิดหนึ่งนะอิดตามชิอุตุกฟะตะกูลุฮัลอะดุลลุคุมะลาไมยักฟูลุฟะรจ่างนากาอิลาอุมมิกะไกตะกรรไกรุฮะวะลาตะฮซัน ว่าตัลท่นอัซามฟานจายนาคามินัลกัมมีว่าฟตานาคาฟูตูนาเอ่ออัจฉรย์นีดีนะเมื่อนางมาริยมนางมาริยมเป็นพี่สาวของนบีมูซานี่นะครับเดินไปตามฝั่งนะครับ แม่น้ำเพื่อดูว่าใครเก็บหีบขึ้นมาบ้างนะครับพี่สาวของท่านของน บ, บีมูซาเนี่ยพูดกับพวกหมายถึงประชาชนเนี่ยพูดบอกว่าจะให้ฉันแนะนำคนที่จะเลี้ยงดูแม่นมของมูซาไหมมีใครเอาไหมระวังที่พูดนะกลัวไปด้วยกลัวเขาจะจับได้องสานี่เป็น เป็นเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นแม่นมัตัวจริงส่งมาใจก็กลัวอยู่นะเมื่อได้รับอนุญาตบอกว่าเอาเอามาได้เอามาได้ไปพาแม่นมมาเมื <ME> равля, อ่อได้รับอนุญาตมาริยมก็กลับมาบอกแม่ห้ามดุลีลามาบอกแม่จากนั้นเราได้กลับคืนมาทั้งส่งมูซาเนี่ยมาอยู่กับมารยาของท่านเพื่อท่านจะได้เป็นที่ เย็นตาแก่สายตาของนางเมื่อลูกกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของใครนะของแม่แม่สบายใจอัลลอฮฺสัญญาในกภีร์กคุณอ่านคือวาฮีให้กับแม่แตะกอแล้วว่ามูซาเนี่ยจะจากแม่วันหนึ่งสองวันแล้วก็ไม่ช้ามูลลูกก็จะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของแม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มันมีอยู่วักหนึ่งอ่ะ ว่ฟัตนากาฟูตูนาว่นนะะฟัตนากฟตูนาแปลว่าอะไรนะและเราได้ทดลองเราได้ทดสอบนะครับด้วยการทดสอบต่างๆนาน า, นาแก่มูซาถามว่าทดสอบอะไรอ่าว่นนะะฟัตนากฟตูนาและเราเนี่ยได้ทดสอบมูซาเนี่ย มีอยู่หลายหลายวิธีด้วยกันทดสอบแต่ละคั้มเนี่ยเกือบตายทั้งหมดนั่นนะรอดตายวุดวิวุดวิวุฒิวุดวิฒเนี่ยที่เล่าเรื่องอย่างนี้ในการไปอ่านพุทวสอนพวกเราเรานี่ก็ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์หลายๆเรื่องน่ะจนกว่าจะตายน่ะมีทุกปีละปีบางทีสองครั้งสามครั้งมีใช่ไหมปัญหาเนี่ตามมาตามมาตามมา เพื่อจะบอกให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนถูกทดสอบจากอัลลอ์ทุกคนตะกี้พบยิปฟรุกหน้าสุราไปให้น้ำเกลือเดียวๆน้ำมานตอนแย่ yeah. ใช่ไหมนีกก่ก็การทดสอบจอบากอัลลอไ์เหมือนกันบางคนไม่ป่วยเลยเนี่ก็ทดสอบจากอลัลลอ์ว่าแข็งแรงบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ถามว่า ถูกทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยเราได้รับอะไรเพิ่มอิมานเพิ่มไหมความดีเพิ่มไหมมันอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมเจนี่มูซาถูกทดสอบจากอ AH, ัลลอ์แต่อัลลอ์ก็ปกป้องคุ้มครองตลอดเพื่อให้เราได้คิดถึงความโปรดปรานของอัลลอ์ที่ให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเราเองก็เหมือนกันถูกทดสอบจากอัลล์ตลอดเวลา มันมีอยู่ห้าเรื่องถูดทดสอบจากอัลลอฮ์นะนบีมูซาถูกทดสอบห้าเรื่องนะครับในตับซิกอธิบายไว้เรื่องที่หนึ่งก่อนที่นบีมูซาจะถูกคลอดออกมาเห็นโลกใบนี้ขณะที่มูซาอยู่ในท้องมารดานะฟาโร่เนี่ยประกาศฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดมาในปีนี้ เด็กเฉพาะเด็กพวกบานี้อิสโอลีนเท่านั้นนี่ถูกทดสอบยังถูกทดสอบแล้วแล้วแม่ของนบีมูซาเนี่ยเมื่อคลอดนบีมูซามาทำไงอะ่ะรอดอยู่คนเดียวคนอื่นถูกถูกถูกฆ่าหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็อุวหฮีผ่านนะครับที่โดนใจของมะของนบีมูซาให้เอามูซาใส่หีบแล้วก็ล อ, อยนะ้ำ นี่เป็นการทดสอบนะแต่ที่พอใสหีบลอยน้ำจบใัยตอนมาหามะานาบีมูซาเลยมามาพูดที่ไหนที่หัวใจเลยมาพูดอย่างนี้นี่ท่านลูกท่านนี่นะถูกเชื่อนบนบ้านนะเห็นไหมแล้วก็ท่านนี่นะอาบน้ำศบเองแล้วก็ห่อเอง แล้วก็พาไปฝังเองเนี่ยมันจะมีความสุขนาแล้วเนี่ยเอาใส่หีบลอยน้ำนี่ถ้าหาว่ามันมีปัญหามเกิดจมน้ำไปเนี่ยสัตว์ก็เอาไปกินนี่เสียงใครนะเสียงไส้ต้นเพราะว่าอย่างนี้แม่เลยเศร้าเลยไงโ อ, อใช่เลยแต่ลืมนึกก่อนหน้านี้นะ อ, อ, อัลลอ์อิลามที่หัวใจมาแล้วบอกว่า ให้เอามูซาเนี่ยใส่หีบแล้วลอยน้ำเมื่อลอยน้ำไปเสร็จแล้วเนียบ้านฟาโรก็จะอุ้มไปคนที่เปิดหีบคนแรกก็คือภรรยาฟาโรเพอเปิดหีบแล้วนะเขาจะรักมูซาเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งหาแม่นมหาแม่นมไม่เจอก็เขาก็สั่งมูซาไม่ให้กินนมใครทั้งนั้นแหละนอกจากแม่ตัวเองแม่ลืมลืมตรงนี้ เพราะชายตอนมายุไ่ะฮ้ยนี่ทํำจมน้าไปแล้วตายสาัตว์กินแล้วเสียใจนะนี่ก็าชายตอนมาเลยอ่าเพราะฉะนั้นชสตอนนี่นะมันจะมาหาคนทุกคนนี่ขนาดมานะัทธิวมูซาวัาแจวแล้วนะแล้วพวกเราจะเหลืออหรอฉะนั้นเมื่อเราทําความดีเสร็จแล้วนะชายตอนมันจะมายุทํอย่างั้นสิทำอย่างี้สิทํางนี้สิมีตลอดอยู่เวลา อามนี่มูซาถูกทดสอบครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่อตอนลอยน้ําใส่หีบลอยน้ํานะครับเราใช้ตอนมาหาแม่ของนบีมูซาเองพูดนู้นพูดนี้จนกระทั่งคือให้นึกนั่นแหละพอนึกแล้วความเศร้าโศกเสียใจยก็จะตามมาเหมือนเราวันนี้ก็เหมือนกันบริจาคไปแล้วหมื่นหนึ่งสร้างสุราพอกลับไปถึงบ้านเมียว่าเว้ยอะไรว่าตั้งหมื่นหนึ่งห้าร้อยก็พอ เอาแล้วเศร้าเลยมมันทั้งหมดน่ะเราไม่รู้ใช่ไหมละ่ะยัง่ะบางทีเสียงเสียงกระซิบกระซาบอยู่บนที่นอนนั่นแหละแต่ภรรยาพูดน่ะคุัมมาตั้งห้าหมื่นห้าร้อยก็พออ้าวคิดเลยที่นี่เสียใจเออจะเอาคืนก็คืนไม่ได้เอาไงเนี่ยศร้าอกนั่นก็ตามมามันมีตลอดเวลาการทดสอบจากอัลลฮ์และการทดสอบของชาตอนมีมาตลอดเวลานะครับทีนี้ ก็ลองว่าต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะมะของนบีมูซาเนี่ยเมื่อเอามูซาใส่หีบแล้วลอยน้ําเมื่อลอยน้ําไปแล้วเนี่ยนะเด็กๆเกนี่ยมันเห็นหีบพอเห็นหีบเนี่ยก็เก็บหีบขึ้นมาก็นั่งเถียงกันบอกว่าเราจะเปิดหีบก่อนได้ไหมแล้วก็มีเด็กบอกว่าอย่าเปิดนะ พอเปิดภาพแล้วเกิดมันมีทรัพย์สินเงินทองเราเองจะถูกกล่าวหาว่าเอาเงินไปฉะนั้นไปเปิดต่อหน้าภรรยาฟาโร่เลยพร้อมนำหีไปคนแรกที่เปิดก็คือภรรยาฟาโร่พอเห็นพอเปิดปั๊บเห็นหน้าเด็กในกรุณอ่านอธิบายอย่างนี้ว่าอัลกอยตุอะไรกามฮับบะตาหมินนีมาฮาบบะแปลความรัก ฉันได้มอบความรักของฉันแก่มูซาให้เห็นแล้วหน้าสงสารหน้าเอ็นดูคนทุกคนเห็นหน้ามูซาที่อยู่ในหีบเนี่ยรักหมดเลยความรักอันนี้มาจากไหนมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะอาดาขอบุณอัลลอฮ์นะอัลลอ์นี้เงการทดสอบจากอัลลอฮ์ครั้งแรกนะครับนี่ถ้าหากว่า มูซาทหารอัลลอฮ์ไม่ไม่ประทานความเมตตาสงสารให้กับพญาฟาโรน่ะตายไหมตายทีนี้พอทหารรู้พอทหารรู้ว่ามูซาเนี่ยมาอยู่ที่ปราสาทฟาโรแล้วทหารมาเลยมาขอที่พญาฟาโรเอาเอาเด็กมาเนี่ยฉันจะเชื่อแล้วพญาฟาโรบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฉันขอไปคุยกับฟาโรเอง คิดว่าฟาโร่คงจะอนุญาตไม่ให้ข้าก็อุ้มมูซาไปพระอุ้มโมซาไปก็บอกว่าจะเอาเด็กคนนี้เป็นลูกของเรานะฟาโร่พูดแล้วว่าลูกของคุณมัใช่ลูกฉันอันที่สองภรยาฟาโร่พูดว่าคุดรอต่อไอหนีทาให้ฉันเนี่ยสบายใจฟาโร่พูดแล้วว่าเธอสบายใจคนเดียวฉันไม่เอา โอ้โหแข็งน่าดูเลยนะหัวใจกระด้างน่าดูเด้ออย่างเงี้ยถ้าถือบวช ไ, ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแต่ทางว่าใจไม่ผ่านนาบีมุฮัมมัดอธิบายเรื่องนั้ผ่านข้าบนแล้วนะนบีพูดอย่างงี้นบีบอกว่ า, วาถ้าหากว่าวันนั้นนะตอนที่ภรรยาอุ้มนบีมูซาไปเนี่ยไปหาฟาโร นางพูดว่ากุรลต่อไอนีเด็กคนนี้ทำให้ฉันสบายใจถ้าฟาโรยืนยันว่าฉันก็สบายใจเหมือนกันถ้าพูดคำนี้ออกมานะสักนิดเดียวเนี่ยนะมซาแม้ฟาโรรับอิสลามแตกกระด้างเธอคนเดียวสบายใจแต่ฉันไม่ไอภาษาตรงนี้ทหาเนะี่ยที่มูซานำเอาอิสลามมา เข้าไปในวังฟาโรฟาโรคนเดียวที่แอนตี้มากที่สุดส่วนพระยารับเลยเห็นปั๊บครั้งแรกกระแดบออกแล้วคนนีใจไม่เอาแล้วโอ้โอหมยุลเลยนนี่การทดสอบข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับพี่น้องข้อที่สองข้อที่สองมีอะไรครับเมื่อเอานบีมูซาใสา่หีบไปแล้วนะครับแล้วก็พาขึ้นบ้านฟาโราแล้วนะ แล้วก็มูซาเนี่ยไม่กินนมพอไม่กินนมเนี่ยมมซาก็ต้องร้องใช่หรือไม่ใช่อะเด็กนั่งก็หิวร้องร้องรอร้อง้อ ง, อ ง, อ ง, องกินนมไครมมซาไม่ยอมกินเลยแต่นี้ภรรยาฟาโรเนี่ยเมื่อรู้ว่าเอ้โมซาเนี่ยไม่กินนมใครเนี่ยใจกลัวแล้วถ้ามมซาไม่ดื่มนมไครโอกาสตายมีไหมตายสูงมากเลยก็เลยประกาศเป็นทางการบอกว่า ให้ไปประกาศตามตลาดเลยใครมีแม่นมสามารถเอาแม่นมมาให้หมูสากินนมได้ฉันจะให้รางวัลพอข่าวนี้ออกไปก็พี่สาวฟาโร่ชื่อมารยายก็เดินตามชายคลองไปด้วยแล่อไปถึงตลาดก็ประกาศได้ยินประกาศว่าใครหาแม่นมมาอันนี้ไปสแสดงตัวไนงะฉันจะเอาแม่นมมาให้ไอตอนจ ะ, สะแสดงตัวเป็นแม่นมนี่นะ่ก็กลัวอีก เอเป็นนหน้ามาหรือเปล่าเป็นแม่นมตัวจริงหรือเปล่าเป็นแม่จริงหรือเปล่านึกเยอะมากเลยเสร็จแล้วก็แสดงตัวพะะแสดงตัวปั๊บเขาก็ค่อยไปเอาพาพาแม่มาเลยพอพาแม่มาตอนนั้นแหละพอกินนมกินเลยอุลฮัมดุลิลละทีนี้ในคุร์อ่านอธิบายอย่างนี้วะฮารอมนาอัลไลฮิลมาโรดีอามิงกอบลุอธิบายอย่างนี้พายาของฟาโรเนี่ยนะครับ ไม่เห็นมมซากินนมแลดีอกดีใจน่าดูเลยที่มซ่าไม่กินนมใครนั่นเพราะอาลัลลอ์สั่งไว้แล้วฉันห้ามไม่ให้มูซานี้กินนมของใครนอกจากแม่ตัวเองนี่เป็นการทดสอบจากอาลัลลอ์ข้อที่สองใช่ไหมวาฟตันนากฟูตู น, นานเราได้ทดสอบนบีมซ่าหลายเรื่องหลายแบบ แต่ว่าเขาก็ปลอดภัยจากการทดสอบข้อที่สามนะข้อที่สามมะของนบีโมซาเนี่ยนะครับได้เงินด้วยอ่าได้เงินด้วยเงินค่าจ้างที่เอาเอามูซามาเป็นเป็นลูกกินองตัวเองกัได้เงินเดือนด้วยอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอักบาร์ตนี้ทดสอบอยังไง พระยาฟาโรบบอกว่าให้ให้แม่นมเนี่ยอยู่ที่พระราชวัง ม, มะมูซาบอกว่าฉันมีลูกอีกคนหนึ่งกําลังให้นม อ, อยู่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่เอาโ อ, อ้โหพูดดีมากเลยแต่นั้นพระยาฟาโรบก็เลยเอามูซาเนี่ยฝากไว้ที่บ้านเลยเอามูซาไปอยู่ที่บ้านเลยถูกใจไหมอันทำโดยดีแลนี่เป็นการทดสอบครั้งที่ 3. สามเสร็จแล้วระหว่างที่อยู่เนี่ยนะ แล้วเขาก็ไปมาไปไปมามาเยี่ยมเยียงกันอะไรกันตลอดเวลากินนมกี่ปีสองปีนี่ตามหลักเลยนะสองปีมีมาตั้งนานแลว้วให้ลูกกินนมนางถึงสองปีนั้นทําให้เด็กแข็งแรงเด็กมีความอบอุน่นเด็กมีความรักใช่ไหยกับแม่ตัวเองแล้วแข็งแรงเด็กไงแต่สมัยนี้ให้กินหกเดือนแต่กลับควรนมจะหย่อนก็ว่ากันไปนะครับ แต่ว่าตามหลักการอิสลามเท่าไรสองปีทุกคนยอมรับกันหมดนะอัลละมูซาดื่มนมประมาณสองปีอัลฮัมดุลิลแลแล้วก็ผลสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในอ้อมกอดของแม่นี่เป็นการทดสอบครั้งที่สามอัลฮัมดุลิลแล์ต่อมาครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่ก็คือตอนที่มูซาอายุได้สองขวบทิ้งนมแล้ว ก็พามาอยู่ในพระราชวังคนที่สบายใจก็คือภรรยาฟาโรเมื่ออยู่ไปมูไปก็ฟาโรก็เ ร, เริ่มเริ่มเริ่มจะเห็นแล้วลเห็นว่าจะดีแล้วนะก็อเอาโมซานี่มาอุ้มที่เคยเล่าไปฟังแล้วเนี่ยนะพออุ้มอุ้มก็เอามือจับคราวก็กระชากอย่างแรงแล้วก็ตบเปรี้ยงขึ้นมาบางรายงานบอกว่าถือเหล็กแล้วก็ฟาดไปที่หัวฟาโร เอาล็กกำหนดงนานนี่นะพด ฟ, ฟาดไปปาบเนยฟารูอารมณ์ขึ้นเลยอะ่ะบอกไปเอามีดมาจ ะ, จะเฉิดจวนี้แหละเมียรู้ยายายาลูกเราลูกเองไม่ใช่ลูกฉันแล้วก็มีการทดสอบกันเกิดขึ้นฟาโรห์นี่แหละมันตั้งใจทำรายฉันเนี่ยบอกไม่ใช่เด็กไม่รู้เรื่องก็เอาถานมาใส่อะไรนะ ใส่ถ้วยมาแล้วก็เอาเพชรพลอยสีแดงเหมือนกันวางไว้ข้างหน้าพระข้างหน้ามูซามูซาก็ยื่นมือจะไปจับเพชรไดเรคเตอร์คายิบรีนั่งอยู่ข้างๆเอามือมาจับฝัท่องเลยแล้วก็เอาสายปากด้วยปากเวดีมูซาเลยพูดไม่ชัดก็ทั้งเป็นเป็นนบีนี่เป็นการทดสอบครั้งที่สี่ถ้าอัลลอ์ไม่ช่วยนะวันถูกเชื่อมไหม ว, วาฟตันนากาฟูตูนาเราได้ทดสอบนบีมูซาหลายแบบหลายอย่างอาลัลลอฮ์ให้ผ่านหมดเลยข้อสุดท้ายอะไรบ้างข้อที่ห้านี่นะครับข้อที่ห้าก็คือหลังจากนาบีมูซาฆ่าคนคนหนึ่งเป็นชาวชาวอะไรนะชาวกิปตี้พวกของฟาโรเนี่ยนะอายุตั้งสเจ็น่ะกำลังแข็งแรงเลยนะ่ะ เข้าไปในในเมืองในตลาดพวกยิวพวกบริอิสโ ร, รอีกับพวกกริปตี้ทะเลาะกันเห็นมูซามาก็เรียกมมซามาช่วยหน่อยมูซาก็ไปห้ามห้ามและห้ามแบบไหนผงจะไปต่อยบ้างแล้วเพราะต่อยมั่วตายเลยอนะ่ะขังแรงมากฟาโรประกาศจับตัวมูซาว่าฆ่าพวกอียิปถ์ทำไมเลยต้องหนีอพยพไปอพยพไปต่างประเทศไปอยู่เมืองมัดยัน แล้วก็ที่เราเคยรู้ว่าเป็นอะไรเอานองเอาน้ำเนีงให้แกใช่ไหมนะ่ะแล้วไปนั่งอยู่โคนต้นบนต้นไม้นบีขอนบีมูซาขอตูอานี่นะตอนที่ไปเอาน้ําให้แกกินแล้วก็ผู้หญิงลูกลูกสาวนาบีชชเอฟเนี่ย พ, พาแกกลับบ้านแล้วอยู่คนเดียวโคนต้นไม้ขอตูอาวาอ่างี้รับบีนัดจีนีมินัลกามีซลอรีมินโอ้ล l l a h โปรดช่วยเหลือฉันจากคนที่อยุที่รำข้อที่หนึ่งขอดูอานะ ข้อที่สองขออุอา่าอย่างนี้รับบีอายยาดียานีซาวอิซาบีนบางทีพระผู้อธิบานของฉันจะทรงนำทางผ่านทะเลทรายสู่ทางอันราบรื่นนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาดูอาข้อที่สรับบีอินนีลิมาอันจัลตจไลยามินขายรินฟะรี ถ้าแต่ผู้อัยบางของฉันเอ๋ยฉันอยากได้แม้ความดีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ฉันก็พอแล้วอะไรก็ได้ให้อัลละฮ์ประทานให้กับฉันเถอเป็นความดีขอดุอาสามตนเสร็จแล้วอัลลอฮ์ทรงผู้หญิงลูกสาวนาบีชูไรบเนี่ยมาตามมูซามาตามมูซาให้ปวัวพ่อต้องการจะพบ แล้วก็นี่ก็เป็นการทดสอบข้อข้ อ, ขอที่ห้านะพอเสร็จแล้วก็ระหว่างที่เดินทางไปกลับบ้านเนี่ยสังเกตมูซาเนี่ยจะเดินข้าหน้าให้ผู้หญิงเดินข้างหลังเสร็จแล้วพอไปถึงบ้านพับนี่นะลูกสาวบอกว่าพอ่อจ้างมูซาคนนี้นะทำงานที่บ้านเรานี่เป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ข้อที่ห้าข้อย่างงั้นไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วใช่ไหม อพยพไปอยู่ต่างประเทศอัลลอฮฺตาร่าเนี่ยส่งมากรับให้นบีมูซาไปช่วยงานบ้านนาบีชูอิฟกี่ปีเขาทำสัญญากันว่า8ปีแล้วก็ถ้าอยู่ครบ10ปีดีไหมดีระหววางที่อยู่บ้านนาบีชูอิฟเนี่ยนั่นได้รับความรู้จากนบีชูอิฟเยอะมากเลยเอาล่ะสรุปแล้วก็คือว่านาบีมูซาเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮห้าเรื่อง แล้วก็อลัลลอฮ์ก็คุ้มครองให้ความปลอดภัยสำเร็จทุกเรื่องเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเนี่ยไปอยู่บ้านนาบีชอย์แล้วก็ไปแต่งงานกับลูกสาวนาบีชอย์นบีชอยฟถามลูกสาวว่ามูซานี่น่ะเป็นคนดีเป็นคนแข็งแรงรู้ได้ยังไงลูกสาวตอบบอกว่าเป็นคนดีเพราะว่าเขาไม่เจ้าชู้ เวลาคุยกับลูกสาวเนี่ยนะไม่เคยมองหน้าเลยก้มหน้าตลอดน่ะนั่นยังยังไม่ได้จบมหาวิเลยนะแล้วก็มองได้ยังทำไมก้มหน้าตลอดล่ะผู้หญิงเล่าเองนะฉันไม่เคยเห็นโมซา จ, จ้องหน้าฉันเลยเวลาคุยจะก้มหน้าคุยแล้วก้มหน้าอักลาตอันนี้ดีมากแล้วก็เวลาเดินมากับฉันนะ่ขอเดินหน้าให้ผู้หญิงเดินตามหลังแล้วก็บอกเสี่ยวขวาเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นผู้ชายเจ้าชู้อย่างเราๆเนี่ยนะ ต้องเดินข้างหลังใช่ไม่ใช่เนีง่ง่าเป็นความดีนะครับที่ถูกทดสอบจารอนแล้วผ่านแล้วก็ว่าแข็งแรงรู้ได้ยังไงคือตอนเอาน้ำให้แพะยเน่ยยกคนเดียวชายน้ำคนเดียวยกคนเดียวปิดฝาคนเดียวก็เลยรนบีชูอิเอก็เลยยอมรับให้เป็นลูกจ้างรักใช้งานที่บ้านของท่านปรากฏ ว, ว่าบ้านบ้า น, บ, านบ้านนบีมีนบีกี่คน สองคนคนหนึ่งนบีก้ชราแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นนบีในอนาคตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันอัลลอฮฺสักเกตอาชีพของนบีทุกคนมีอาชีพต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะกับเลี้ยงอูต่างกันเต็มเลยนะอุลมามะอธิบายต่อสิทอธิบายว่าใครที่เลี้ยงแพะนะทำให้ฉลาดเพราะแพะนี่มันส้นแล้วคนเลี้ยงแพน้นี่ขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องหูไวตาไว นี่แหละแล้วก็ต้องสบัสดิสูงเวลาแพะมันโซนเนี่ยจะตีมากเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมก็ต้องอดทนไอ้อดทนนี่แหละเอาไปใช้ตอนออกทํางานศาสนาออกญาอาวานันต้องใช้ความสบัสดิอดทนสูงไปอยู่กับคนอ่ะบางทีมันก็ด่าเราใช่ไหมบางทีมันก็ชมเราส่วนใหญ่จะดา่ามากกว่าชมฉะนั้นถทาไม่ผ่าการเลี้ยงแพนะนะทำงานลาบากมากฉะนั้นการงอน การงานศาสนาเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ลำบากที่สุดแล้วก็ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์มากที่สุดด้วยแต่รางวัลเยอะมากนะครับเอาตัวลงวัานาบีมูซาเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์กี่เรื่องนะห้าเรื่องแต่ละเรื่องนะ่ยเชียดตาเชียดตาเชียดตาทั้งนั้นเลยแต่ผ่านั้มผ่านทั้งหมดครับอัลฮัมดุลิลละอ้ามาอายาที่สี่สิ วัสตนาตุกาลีนัฟซีดูคุรอ่านดูภาษานะทำไมอลัลลอพูดดีมากนะฉันได้เลือกวัสตนาตุกะฉันได้เลือกท่านลีนัฟซีเพื่ อ, อกิจการของฉันเห็นไหมตลงว่า ง, งานาศาสนาใน่ ง, งานของใครของอัลลอฮเลย อลัลลอฮ์พู้เลยเนี่ยวัสตอณตูกะลีนับซีฉันเลือกท่านมูซาเอ๋ยให้ทํางานของฉันงานาศาสนางานธอรกิจงานของอลัลลอฮ์เลยไปน้องเรียกร้องคนสู่อลัลลอฮ์งานประเสริฐที่สุดบอกคนให้อ่านคุรานให้เรียนกุรอานให้นามาตเป็นอลัลลอฮ์งานอันประเสริฐหมดเลยที่พออ่านตรงนี้แล้วอิมานเพิ่ม วสตนาตูกาลินับซีอัลลอฮ์เล่านะฉันได้เลือกมูซาเพื่อกิจการของฉันอัลลอฮฺเลือกมูซาไม่ใช่เลือกแบบลงคะแนนนะแต่เป็นการคัดสรรมาจากชั้นฟ้าอัลลอฮฺอักบะตอัลฮัมดุลิลัยให้มาทำงานอะไรดาวะตับลีกงานาศาสนาของอัลลอฮ ให้แกใครให้แกฟาโรเป็นคนที่เลวที่สุดในวันนั้นในโลกในอายาอื่นในะสุรตตานี่แหละอายาที่สิบสามที่ผ่านมาแล้วนะว่าอนัคารตูกฟัสตาเมลิมายูฮาและฉันได้เลือกมูซาเพื่อให้เป็นนบีฉะนั้นจงตั้งใจฟัง สิ่งที่จะถูกวะฮีแก่นบีมูซาเนี่ยอายนี้ผ่านมาแล้วแต่กุรอานเนี่ยอธิบายกุรอานซึ่งกันและกันนะครับนบีมูซานี่นะก่อนหน้านบีอะไรก่อนหน้านบีอีซาแล้วก็ก่อนหน้านบีอีกนบีอีซามาก่อนหน้านบีมุ h a ม m ัดและนบีมุ hammad เป็นนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีมาอีกแล้วนะ เาต้องเชื่อแบบนี้เพราะความเชื่อแบบนี้เป็นอากีนที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลังจากนาบีมุฮัมมัดไปมีนบีมาอีกแล้วมีอะไรมาครับวันเตียมาคัครับครับตกลงว่า ง, งานาศาสนาเป็นงานของใครเอาล็อประกาศว่าไงนะนับซีมเซลงานของฉันเลยไอซาจะลงมาอีเที่ยวหนึ่งอนะ่ะมาปรับตัดจานตอนนี้ไอ อย่าคยเงการเมืองเยอะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนอันอายะห์ต่อมาที่สิบสองนะครับอิดฮับอันตะวะอาคุกะบิอายาตีวะลาตานียาฟิลิขรีอัลลอฮพี่น้องอ่านนะสบายใจนะอิดฮับอันตะวะอาคุกะอัลลอฮฺการนครับพี่อ่าน จงไปเถิดมูซาอิซฮับแปลว่าจงไปอันตะหมายถึงท่านนั่นแหละมูซาจงไปไปกับใครว่ า, าคูกัพี่ชายของท่านรู้ไหมพี่ชายของมูซาชื่ออะไรฮารูนอายุตามกันกี่ปีสามปีฮารูนเนี่ยแกกว่านบีมูซาสามปีนะครับอัลลอ์สา่งว่ามูซา คารูนเธอสองคนตรงไปไปแบบไหนครับบีอาญาติเอาสัญญาณของฉันหมายถึงมั่วจีราชสองรายการที่เอาล้อ ม, มอบพระกนบีมูซาหนึ่งไม้ถือสองชักมือออกมาจากเนี่ยจากจากะรจากกระเป๋าบ้างจากสีข้างบ้างจากรักแร้บ้างยกขึ้นมือเนี่ยสวยสว่างสะอาดมีแสงแต่ไม่ใช่เป็นโรคเรื้อนนะไม่ใช่ มือสะอาดขาวนี่สองอย่างนี้เป็นอาญาติเป็นสัญญาณของฉันเรียกว่ามุอวจิสาตนะครับพาไปหาฟาโรอัลลอฮ์สังนะวลาดานยาฟีดิครีแล้วก็แล้วก็ยาอะไรนะ อย่าเป็นคนอ่อนแอตาเนียนในไนภาษาอังกฤษอธิบายเป็นสองคนอย่าเป็นคนอ่อนแอท่านสองคนเนี่ยอย่าแสดงความอ่อนแอสองเวลาตั้งปตุอาอย่าแสดงความเฉยชาระหว่างที่ไปพบฟาโรระหว่างที่อยู่กับฟาโรระหว่างที่ทำงานศาสนานั้นอย่าแสดงสองรายการนะเฉยชาก็อย่าทำขี้เกียจก็ไม่ได้ แล้วก็อย่าอ่อนแอก็ไม่ได้ชาก็ไม่ได้อัลลอฮ์สั่งนะอย่าแสดงความอ่อนแออย่าแสดงความเฉยชาฟีวิครีในการรำลึกถึงฉันเห็นไหมฉะนั้นใจของท่านต้องรำลึกถึงฉันเยอะๆอ้าวถ้าพูดผูดด้เราเอง็งนำมายาคานเลยนะล้วกู้อ่านต้องอ่านสม่าเสมอ น, นะละซิกรุลลอฮฺซุบฮานลัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลาลาลาอิล ต้องนึกถึงฉันสม่ำเสมอไม่ใช่เช้านอนกันเย็นนอนกันคืนนอนตะฮัดยุดไม่เคยอย่าๆยอย่ า, ยายสแสดงอย่างนี้เป็นเด็ดขาดเพราะว่างานเธอมันงานใหญ่งานต้องไปสอนคนต้องใช้ให้ขมาเยอะต้องมันขออาติดต่อกับฉันตลอดเวลาอา้าวนี่ใ้ความรู้นะพวกเรานะถ้าอายุเยอะๆแก่แล้วหรือทำงานศาสนาทุกคนต้องขยันอย่าเป็นคนขี้เกียจ พยายามหาพวกคณะสี่คนหน้าคนนั่งคุยกันอย่าคนขี้เกียจมามันพาเรานอนตลอดแล้วก็นอนแล้วก็นอนกินน้ำชานอนไม่ไหววะเอาคนที่มัน <c ười> คนนะกระปี้กระเป๋าคนขยันขยันเนี่ยเพราะว่าทำงานศาสนามันงานอันประเสริฐตั้ต่ต่อสู้กับฟารโรมีอะไรมีคนที่กาฟารโรมีคนที่ช่วยฟารโรสหมื่0หนคนจนะสู้มันไหวอ่ะ นี่ไปกับสองคนเองอ่ะใช่ไหมแต่เอาลอให้ชนะหมดเห็นยังแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมฉันอย่าเป็นคนแสดงความอ่อนแออย่าแสดงความเฉยชาให้นึกถึงฉันตลอดเวลาอัลลอฮหุ่นห้ามดูแลเทนี้ในตัฟซีอธิบายนึกถึงอัลลอฮ์ตอนเผชิญหน้ากับฟาโรได้อะไรเขาบอกว่าตอนเผชิญหน้ากับฟาโรนะการดำลึกถึงอัลลอ์นั้น เอานั่นอะไรฮเป็นการช่วยเป็นตัวช่วยทำให้งานของคุณนั้นสำเร็จอย่าลืมว่านึกถึงอลัลลอ์ใจเนี่ยนึกถึงอลัลลอ์นะเป็นตัวช่วยทำให้การดาว่าของคุณนั้นเข้มแข็งจะพูดจ า, จาเนี่ยเข้มแข็งพูดจาแต่ละครั้งเข้าหูฟาโร่สะดุ้งทุกทีอ้เนี่มันพูดอะไรเนี่ยนีภาษาทำไมมันดีอย่างนี้นั่นแหละเพราะนึกถึงอลัลลอ์ ก่อนที่จะพูดอะไรให้ดึงถึงอัลลอฮ์ให้ขอดุอาต่ออัลลอ์นะครับแล้วต่อมาอีกว่าคู่อัตละหูมามันเป็นพลังสร้างพลังให้เข้มแข็งนี่เป็นตัฟซีตอธิบายนะไม่ใช่ตัวคุรานวาซุลตอนั้นแล้วก็เป็นการมีพลังช่วยเหลือแล้วสามารถปราบฟาโรห์ได้ด้วยจะตั้งการดำลึกถึงอัลลอฮ์มีสามอย่างหนึ่งปราบฟาโรห์สองเป็นพลังช่วย อันที่สามอำนาจโอ้โหมองนะคุนี้มาแล้วเกรงขามมันมาเลยฉะนั้นการจำลึกถึงอัลลอฮ์ช่วยให้เราให้ศัตรูมองเรามีความเกรงขามอันหนึ่งพลังในการพูดในการเจราจามีใครเห็นก็ต้องเรสเปคให้เกยียรติ hey, นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะภาษาที่มันพูดเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะการจำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และช่วยได้นะลึกถึงอัลลอฮ์นี่ช่วยได้เยอะนะนอ ผมเคยถามอาจารย์ดิเรกท่านตอนไปบรรยายคนฟังเป็นพันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมมาท่านว่าไงอ่ะาบอกด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะว่าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอลัลล์มันอลัลลอ์เนี่ยให้ความให้อะไรนะ่ะให้ระสระสานคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำออกมาเลย ไปพูดภาษาอังกฤษน่ะตอนหน้าคนเป็นพันๆคนน่ะแลวเราเป็นมุสลิมคนเดียวน่ะจะนึกอะไรออกอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรฮิมพอเอ่ยพยานัมอัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยโอ้โหรายการมันตามมาเต็มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้กำลังใจจากอัลลอฮ์สุภานะว้ยต่างหากแคท่านพวกเราองกันเนี่ไปเป็นนักประยุก์มายาทามใช่ไหมหรือไปยืนสู้พูดที่ไหนก็ตามไปยืนสปีชท์ใช่ไหมพูดอะไรก่อนอัลลอ์ก่อน บิสมิลลาห์อุลลอฮ์มานอร์หรือว่าก่อนขึ้นเนี่ยไปน้ำมาสองพระราจ์ก่อนทำดุลิละอัลลอฮ์ช่วยหมดเลยนะทำดุลิละได้บิสมิลลาหด้วยฮหเลลามด้วยสุลามอเลกุมุลามะตุลลาการจขอความสันติจะพูดเป็นภาษาไทยกันขอความสันติจงประสดประท่านพี่น้องทั้งหลายทำดุลิละใจนึก ฝากไว้กับอัลลอฮ์อัลล์ลลช่วยด้วยต่อมาอญญายะที่สามสี่สิบสามที่นี้สเสแล่แลก่อนก่อนก่อนจะถึงสี่บสามคือเป็นงี้ตักสิทอธิบายนะนบีแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ลืมอัลลอ์กันหมดนะเช่นนบียูนุสตอนที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ ฉะนั้นเวลาเธอไปเจอฟาโร่น่มันเป็นศัตรูที่รายกาศของอัลลอ์นะอย่าลืมฉันนบียูนุสอยู่ในท้องปลาอานดูอาบทนี้ละอิลละอิลละอันตะสุบฮะนากาอินนีกุนตูมินัลลอฮลิมีอัลลอ์เพราะว่าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยข้างบนได้ยินอัลลอ์ได้ยินมาลลยก้าถามว่านี่เสียงใครอะดูสูงมันอ่อนๆเหมือนคนไม่สบายอัลลอฮ์ถามว่าตู้เปล่าใครเนี่ยยูนุส อยู่ในท้องปลาทำไมอ่ะทิ้งงานมันอ่ะอัลล์เล่างานหน้าที่มาสอนาศาสนา น, นีนี่มาอยู่ในท้องปลาแล้วล้วก็ว่าไม่ช่วยช่วยพออ่านดูอาปั๊บอัลลอฮ์ให้ปลาตายเช่นยังอ่ ะ, ะั้นระหว่างที่มีปัญหานั้นอย่าลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานะครับเอาต่อมาอายะที่สี่สิบสาม อิ ذه บ่าอิล่าฟิร์งอนอินนาหูตอออัลลอห์อักบัตนี่อัลลอฮฺเล่านะอิฮาบ่าแปลว่าท่านสองคนเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยจงไปไปหาใครอิล่าฟิร์งอนน่ะไปหาฟิร์งอนเลยแล้วฟิร์งอนเป็นคนดีหรือคนยังไงอินนาหูตออแท้จริงฟาโร่เป็นผู้ ละเมิดแล้วก็ฝ่าฝืนแสบไหมล่ะอัลลอฮ์เล่าเองนะฟาโรตอรเป็นคนละเมิดและเป็นคนฝาน่าฝืนอ้าวจะไปนรกนะจะไปสวรรค์งานนี้นรกแน่ๆโอกาสไปสวรรค์ไม่มีแล้วเพราะเตาบ้าตัวไม่ทันแล้วเห็นอย่างนี้ฮัลลอเล่าเลยนะฉะนั้นฟาโรเป็นคนตอเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนละเมิด ในคาเพียร์กุ่อ่านอธิบายไว้สองสามปะอิซาบีลาฟิราวน์อินนหูตออจงไปหาฟิราูนในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นทูตของฉันนะแท้จริงฟุรนโอนเป็นคนที่ละเมิดละฝ่าฝืนเพราะเขาอ้างตัวว่าเป็นอัลลอ์นี่ไงที่เขาอ้างตัวเขาเป็นพระเจ้านี่คือคำฝ่าฝืนลฉะฉานฟาโร่อ้างตัวว่าฉันเป็นพระเจ้า ให้คนสามหมื่นห้าพันคนเนี่ยกราบฟาโร่ตลอดเวลานะครับอาต่อมาอายาที่สี่ส4บสีูลาละ و َู ا ل َลُลَยْะَ ا ل ْ ل ลّ ي ْ ن َ ل َ ع ก ل َ ه ُ يَتَذَكَّرُ أ ท่านทั้งสองมาถึงมูซากับฟาโร่เถยเวลาไป หาฟาโรนะ่ะวิธีที่จะสนทนากับเขาพูดกับเขาให้พูดยังไงอลัลลอฮสอนเลยนะกาลันจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่ไลยินไลยินแปลว่า polite อ่อนโยนนิ่มนวลพูดดีดียาดายาดาเลยอย่าใช้คำรุนแรงใช้คำนิ่มนิ่มพูดดีดี อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่อัลลอฮ์สั่งอุลมาอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งคนที่ดีที่สุดในโลกวันนั้นให้พูดจาเพราะๆกับคนที่เลวที่สุดในวันนั้นคนที่ดีสั่งคนที่ดีที่สุดคือนบีมูซากับนบีฮารูนให้ไปหาคนที่เลวที่สุดในวันนั้นคือฟาโรสั่งว่าไง กูลาละหูเก้าลันไล ย, ยินันพูดจาาะเพราะพูดจาดีๆอย่ามีอารมณ์อย่าแสดงอาการโกรธอย่าเครียดเออไปไบานนึกถึงฉันนะนึกถึงอัลลอตลอดเวลานะจะพูดจะจานึกถึงฉันด้วยนะอัลลอฮฺบัดนี่สอนวิธีการดาวัดเหมือนกันน่ะลูกผมไปหาใจลงสนามบินสุวรรณภูมิ มีมุสลิมายกคนไม่รู้จักกันก็นเดินมาเห็นจะสร้างอะครัก็ข้อถามปัญหา น, ะลล ะ, นาละลูกดื้อทําไงแล้วคนนึกทำไงอย่ารอลูกดื้อต้องพูดจาดีๆห้ามดา่าพูดดีๆขอดุทิศต่อร้องให้ขอดุทิศต่อเร้องแล้วก็พูดจาดีๆกับลูกเคยทํำยังทั้งสองยังไม่เคยทําเลยดุอิศตอร้องยังไม่เคยขอ พูดจาดีๆก็ไม่เคยด่าตลอดเอาเปลี่ยนไม้พูดดีๆแล้วมันขอดูอานมาเทยาขาดนะฮามดุลิลละนี่งั้นคุณอะไรนี่ฟักูลาแล้วก็กลันไลยินันแล้วลูกรราจะเลวแบบฟาโรดะมันก็ไม่เลวใช่ไหมน่ะเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่มันดื้อนามาบุกแล้ไม่ตื่นก็อานหน้าผมผมหน้าก็แล้วกันค่อยๆทํามันไปต้องแก่กันไปใช่ไหมต้องมันขอดูอาตอ a l ะ a h เอาอายานี้ไปชช้ด้วยไม่ใช่ดุอย่างเดียวดุสำเร็จไหมไม่สำเร็จกวักกูละลาเูเก้าล้ยยนไลยินันอัลลอฮฺอักบารตีเยอะก็ไม่ได้อะนี้แล้วกูเม็ข่าวบาทเพราะฉะนั้นพูดดีดีดีที่สุดนะล้านล่าการพูดดีได้อะไรบางทีไอล้ลาอัลล่มาถึงแน่นอนเขาเปลี่ยนแปลงนะ บางทีเขาอาจจะอะไรนะอย่าตาดักการรูหมายถึงฉุกคิดเออเดี๋ยอเตือนใจเจตนาการเตือนสติหรือการสอนศาสนาเขาไม่ใช่ฉุกคิดขึ้นมาเออถ้ามันฟังตัวครูพูดศาสนามาบ่อยๆเวลาพ่อเตือนเนี่ยมันเปลี่ยนใจได้ข้อที่สองเอาอยักษชาหรือเขาวากลัวผลของความชั่วที่เขาได้ทําต้องอธิบายนะ่ะถ้าลูกทําอย่างนี้คุณจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างางี้ในวันกีย่ยมั้ ถ้าลูกขาดนะมาจะถูกลงโทษที่กูโบยอย่างนี้อย่างนี้อธิบายความให้ลูกเข้าใจลูกมอัอาจจะกลัวก็ได้แต่นี่พูดถึงในเรื่องฟาโร่ใช่ไหมก็นั้นอัลลอฮ์สั่งมูซาฮารูนเอย๋ยไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกนั้นต้องพูดจาดีๆ ด, ด้วยวิทยาปัญญาด้วยความรู้ที่จะเหลียวฉลาดนะครับพูดจาดีๆตัวลงกับพูดแรงได้ไหมไม่ควรไม่ควรแต่ลูกลกเราก็แรงบ้างก็ได้บางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่บ่อยๆ น, นานๆทีนึง ต่อมาอายาที up, oon, ่สี <sub> <onder> Esta, ่ส <llow> ิบห <sense> <void> ้าลารับบาอินนานาคาฟูอิยัฟรุตอัลเนาอวยัฟรออูอิยัฟรอกอลาเท้เขาทั้งสองหมายถึงฮารุนกับมูซาเนี่ยขอดุอา รับบานาแปลว่าฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยอินนานาคน้อแท้จริงเราเนี่ยกลัวเราเนี่ยกลัวถามว่านาบีเนี่ยกลัวได้ไหมไปคําถามนะนบีเนี่ยกลัวได้ไหมไอ้กลัวแบบนี้เขาเรียกว่ากลัวตามธรรมชาติทุกคนมีความกลัวหมดแต่แหละจะไปหา คนที่ใหญ่ที่สุดชั่วที่สุดเลวที่สุดเนี่ยและพวกเยอะที่สุดเนี่ยความธรรมชาติกูก็กลัวกลัวว่าเขาจะไม่ฟังศาสนาควัวเขาจะแอนตี้กลัวเขาจะจับฉันโยนใส่ไฟแบบันบีอิบรอฮีมมันนึกไปหมดนะใช่ไหมลนะ่ะอย่าล้อเลยขอถุกอินน่านข้อพูเราเนี่ยกลัวว่าเฟรงกูจะอะไรอยัฟรูต อ, อะไรนะจะล่วงเกิน หรือว่าข่มเหงก่อนที่ฉันจะไปสอนสาศาสนานี่ฉันกลัวว่าเขาจะเล่นงานเราก่อนไอ้กลัวเนี่ยกลัวสองอย่างนะก่อนที่จะไปสอนสาศาสนาเข้าไปในพระราชวังฟาโรเนี่ยไปเข้าพบฟาโรไปคุยกับฟาโรเนี่ยกลัวจะถูกเล่นงานก่อนส่งคนมาเล่นงานก่อนนี่กลัวตรงนี้และกลัวอีกอย่างหนึ่ง เอาไอเยอร์ระหว่างที่สอนศาสนาเนี่ยกลัวมันจะเล่นงานฉันก็เหมือนกันกลัวสองอย่างนะกลัวก่อนกับกลัวระหว่างที่ทํางานศาสนาอยู่กําลังยืนบรรยายอยู่กําลังเจรจากันอยู่ส่งทหารมาจับตัวหรือส่งอะไรมาค่มคู่กับเหมกได้ไหมได้ขออนุาตตัวเรานี่ความรอบคอบของใครของการทํางานศาสนาต้องรอบคอบหมดเลย นี่ยกตัวอย่างศาสนาและทำธุรกิจละ่ะมันก็เหมือนกันทำธุรกิจก็เหมือนกันงานศาสนาเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์สั่งเลยอ่าระหว่างเจรจาทํำยังไงนึกถึงใครก่อนเจรจานึกถึงใครมองรอบด้านห้ามดุลิเ ล, ลได้ข้อคิดหมดเลยนะครับกอลาเขาทั้งสองฮารุกามูซากล่าวว่ารบบานา ถ้าแต่พไปพูดมาของฉันเอยอินนานาคอฟเรานี่นะครับกลัวว่าฟาโรนั้นไอยัฟรูตออะไนาจะล่วงเกินหรือข่มเหงเราเอาไอยาปอหรือก่อนที่เราจะเริ่มสอนศาสนาแก่เขากลัวว่าเขาจะฝ่าฝืนยิ่งขึ้นต่ออลัลลอฮ์ก็ได้กลัวทั้งสองระหว่างเนี่ยระหว่างสอนกับก่อนที่จะสอน พวกเขาจะวางแผนเล่นงานเราก็ได้ขอทูอ้าต่ออัลลอฮ์พอขอทูอา้าเสร็จอลัลละฮ์รับมั้ยอลัอลละฮ์ต่าวต่อไปกอล่ะพระองค์ตรัสว่าละตาคอฟะท่านทั้งสองมูซาฮารูนเอย๋ยอย่ากลัวละตาคอฟะโ not afraid ไม่ต้องกลัวกำลังใจมาไหมฮัมดู ล, ลิลละมาเต็มเลย แล้วก็อินนานีมากุมาอัสมาวะอโรอินนันีแปลว่าแท้จริงฉันฉันพูดสองครั้งนะฉันฉันมากุมาฉันนี่นะอยู่กับท่านทั้งสองมากุมาในภาษาตับสิตอธิบายอย่างนี้ฉันนี่นะเรียกว่าปกป้องดูแลท่านแบบกามินแบบสมบูรณ์เลย อัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้ศัตรูนั่นถึงตัวท่านโอ้โหภาษาดีๆนะปกป้องไม่ให้ลูกน้องฟาโรหรือฟาโรเนี่ยถึงตัวท่านอย่างเด็ดขาดไม่สามารถทำอันตรายมูซาและฮารูนได้เลยสบายใจใช่ไหมอินนานีมาคุมาแท้จริงฉันนี่นะมาจงอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับท่านทั้งสอง อัสม่าอธิบายต่ออลัลลอฮ์ได้นะรงได้ยินว่าอารอแล้วก็รงเห็นได้ยินได้ยินการขอพรของสองคนนี้อยู่แล้วนึกอะไรอลัลลอ์รู้หมดแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวการเผยแผ่ศาสนาแต่ละคำที่ออกมาจากปากของขังฮารูนกับมูซาอาลัลลอ์รู้หมด ไปเลยฉันอยู่กับท่านปกป้องท่านตลอดเวลาใครเป็นไดร์เตอร์เป็นยิบบุรีนะ่ะลอดลุยไปเลยหมดต ง, ง่วงรับรองในคุอญญานอายะอื่นอธิบายว่าศัตรูของฟาโรไม่สามารถคือศัตรูของมูซาเนี่ยไม่สามารถถึงตัวมูซาละฮารูได้เลยไปไม่มีปัญหาฉันดูลแล้ี่นี่สิฟัตของอัลลอ์เนี่ยทรงเห็นทรงรู้ใช่ไหมอ่าถ้าเรามั่นนะ ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินสามเรื่องนี้นะปลอดภัยหมดเลยทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินสิฟัสิฟัดยหมากแล้วนะทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินอ้าวพี่น้องตกลงว่าคำว่าอะไรนะอินนานีมาอากุมาเนี่ยแคแปลได้สองสองอย่างนะสิฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใกล้ด้วยทรงเห็นทรงรู้ แล้วก็อัลล์เนี่ยอยุดติดกับมูซากับฟาโร่ด้วยอยุ่ติดเลยเอาใครมาล่ะดิบรินนะคุ้มครองหมดเลยอันตรายมีไหมไม่มีอัลลอฮ์อักบัะอัลลฮมดยเรล่อาอายะสุดท้ายนะครับ47ฟาติยาฟาคูลาอินนารัสูลรบบิก ฟ้าร์ซิลมะนาบเَี๊ยอิสราเอลว่าลาตูอัลลิบฮุมคดจِอ์นาคาบิอายَติมิรับ ا ิกวั ل َา م าฮูอَลลَฮ์ ا านิตะบะอัลฮุดะดังนั้นทั้งสองคือมูซาและฮารูนฟาติยาฮิได้ฟ ت ِ ي َ ا ฮُ จงไปหาฟาโร่อลัลลอฮ์สัง่ง ไ, ไปหาฟาโร่ฟักูดะแล้วก็จงพูดกับฟาโร่พูดว่าไงอินน์รอซูลารบิกะแท้จริงเราเนี่ยเป็นาศาสนทูตรอซูลาเนี่ยเป็นทูตเป็นตัวแทนของพระผู้อภิบาลของท่านมันจะมาจากอเมริกานะมันจะมาจากจีนนะ ฉันมาจากอัลลุาภาณหูะวะวาใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าของโลกฉันเป็นตัวแทนของอังงลลอฉันเป็นรอสซูลของอังลลอฮฺมหา่านแล้วก็ไปพูดว่าไงฟาอารซิลมานาท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นฟาอัรซิลมานาได้ทรงโปรดปล่อยปล่อยวงวานอิสรออีลไปกับเราเถิดที่คุณ จะยึดพวกบริอิสรอีนไว้จับเป็นทาสเอาไว้ให้ทํางานไม่จ่ายเงินเดือนให้แบบน้อยๆเนียน่ยส่งบริอิสรอีนทั้งหมดมาอยู่กับกลุ่มมูซาอะมาอยู่กับฉันอะโอ้โหภาษาที่ดีมากเลยนะปล่อยจากการเป็นทาสของคุณปล่อยให้หมดนี่มูซากะฮารูนพูดอิสรอี น, น่ะวันนี้เยื่อหญิงจองของตกับพุทธถ้าทึกถึงวันนั้นนะ ต้องนึกอู้นี่ใครมาปลดปล่อยนบีมูซาวันนี้มาฆ่าพี่น้องมุสลิมโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยลืมนึกว่ามูซาเนี่ยช่วยปลดปล่อยการเป็นทาสเอาไวนะ้นาอูบิลลาหมินซาลิกเอาละฟาอร์ซิลมาอานาบานีอิสรออีนจงปลดปล่อยเลยนะจงปล่อยพวกวงวานอิสรออีนไปอยู่กับฉันเถอะไปอยู่กั บ, รบเราเถอะข้อที่สองลาดูอาดิบฮุมและ อย่าได้อะไรนะอย่าทรมานพวกเขาอัลลอฮฺผูอัครพาโปรดอย่าทรมานพวกเขาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งส่งอิสรอีนมาอยู่กับนบีมูซากับฮารูเรื่องที่สองอย่าทรมานพวกเขาทรมานหมายถึงกดขี่เขาให้ทํางานได้มาจ่ายเงินเดือนแต่ไม่สารพัดน่ะที่เขาทำวันนวันนี้นั้นนั่นละแบบเดียวกับสมัยก่อนเหมือนกัน อย่าไปกดขี่พวกเขาอย่าทรมานเขากอดิญากบาแน่นอนเราได้นำสัญญาอันยิ่งใหญ่เนี่ยมาจากผู้อภิบาลของท่านมาหาท่านแล้วหมายถึงนบีมูซากับฟากับมุกับฮารูเนี่ยนำอัมุอิดีาสสองข้อมาให้กับนบีใหามาให้กับฟาโร่ฉันพามาแล้วดิ ง, ง่ะโยนไม้ตะพดไปเป็นงูแล้วก็มือออกมาจาก ีข้างยกขึ้นมาสว่างนี่เป็นมุ่งมิจฉาที่มาจากอัลลอฮ์นะแล้วต่อมาครับวัสซัลาะมอลามะนิตตาบะอันฮูดานี่ข้อที่3นะข้อที่สีที่ความสันติจงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนำคำนี้ไม่ใช่คำให้สลามนะไม่ใช่อัลสลามอเลกุมนั่นไม่ใช่คำนี้เป็นคำอะไรนะ เป็นคําเชิญชวนให้มาสู่ทางที่ปลอดภัยที่สุดเวลาจะคุยกับคนกาฟเฟ่นะอย่าอย่าให้อย่าให้อัสสลามมาอะไรกุ้มมาใช่คํานี้อัสสลามาลามาเลยมันจะบาปอูดะขอความขอเชิญชวนท่านสู่ทางอันสันติอัสสลามไม่ใช่กล่าวสลามทักทายนะไม่ใช่นะอัสสลามแปลว่าทางที่สันติขอให้ท่านมาอยู่ทางแต่สันติกับพวกเราเถอะ อัลฮัมดุลิลละอัลกุญนองสรุปว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมูซากะฮารูนไปเนี่ยไปพูดจาดีๆกับคนที่เลวที่สุดแล้วก็พูดจาก็พูดจาดีแล้วก็อย่าดุอย่าตวานอย่าตะคอกแล้วสอนวิธีการพูดด้วยพูดอย่างนี้ให้ทรงอิสรอิมมาอยู่กับฉันอย่าเล่นงานเขาอย่าทรามอนเขาฉันได้นำอามโมกีจาสองข้อมาให้ท่านวัสซัลลมุอะลามานิตตะบะอันฮุดา และสันติจงมีแด่ผู้ที่ปฏิบัติตามทาง น, นำ น, นี่จดหมายถึงคนกาเฟสนะเขียนอย่างนี้นะวัสสลามอะลัมานิตตะบะอัลฮุดาขอเชิญชวนท่านมาสู่ทางนำที่ถูกต้องและคุณจะไม่ต้องถูกลงโทษในโลกอาถรรพ์ความสันติสู่ทางนำเอาก่อนจะจบท่านนาบีไม่ทำสามเรื่องนะ ขอฝากนะแต่เราก็อย่าทำเพราะนาบีไม่สงวนลิขิ์ข้อที่หนึ่งนบีไม่ชอบทะเลาะกันนั่งเถียงกันคอแดงเอ็นขึ้นมือสั่นด็กๆที้งกันเนี่ยนะนบีไม่ทำาากนั้นเราเป็นลูกน้องนบีเราก็ไม่ทาตา ม, ามนาบีข้อที่สองนบีไม่จองหองไม่วางตัวและไม่เยอหยิง ในเมื่อหัวหน้าเราไม่วางไม่เตะท่าเราก็ต้องไม่เตะท่าสองข้อนะข้อที่สมของที่ไรประโยชน์นบีไม่สนไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยไม่ถามด้วยไม่มองด้วยของที่ไรประโยชน์ของที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยทำทำไมตัวเลอกว่ากฏต้ารอการนับซาฮูมินซาลาสามรายการนี่นบีไม่ทําทั้งชีวิต หนึ่งอาจะมีเะโต้เถียงกันทะเลาะกันเถียงกันรูปแบรบารกัดไม่มีคนท้าเถียงกันบารากัดไม่มีขอยกตัวอย่างมีวันหนึ่งนบีออกจากบ้านบ้านนาบีกับมุสลิอยู่ติดกันพอเดินเข้ามาในมัสยิดมาเห็นซอบะสองคนกําลังเถียงกันเมาาื่มาลายค่ําเมื่าลายคืนลายตุลก้อดรดยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดก็นั่งเถียงกันในมัสยิดนั่นแหละนบีก็บอกนี่คุณ ขันนี่นะออกจากบ้านมาต้องการที่จะมาบอกคุณว่าคืนไหนเป็นคืนไรอย่าตุ่กก็ดีมาเจอคุณเถียงกันเลยลืมไปเลยเอาลอนเลยยกเอากลับไปเลยไม่บอกให้รู้เพราะนั้นคุณต้องแสวงหาเอาสิบคืนสุดท้ายขมัดเคลเ่น อ, อย่าไปเจาะจงคืนหนึ่งคืนใดให้สิบคืนสุดท้ายเพราะคุณนั่งทะเลาะ ก, กันเพราะนั่นการทะเลาะกันดีไหมไม่ดีทะเลาะ ก, กับภรรยาดีไหมไม่ดี ให้อภัยภรยาไปเถอะเพราะภรยาไปไงไสนาอมาตว่าภรยาฉันฉันรักมากเพราะมีอยู่สีข่ข้อหนึ่งเขาคลอดลูกให้ฉันข้อที่สามเขาซักเสื้อให้ฉันใส่ข้อที่สข้อที่สามเขาหุงข้าวให้ชั้นทานข้อที่สี่เขาเลี้ยงลูกแทนฉันชั้นไม่ได้เลี้ยงเลยคอยอุ้มอย่างเดียวตัวใส่เสื้อสวยๆลูกพอ่อแต่งตัวสะอาดคลาเหนื่อยแม่ ไซนาอุมัดว่าฉันไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาฉันถึงภรรยาจะขึ้นเสียงบ้างเล็กน้อยก็ให้อาปัปเพราะการทำงานเหนื่อยสี่ข้อเน่งเลี้ยงลูกสองคลอดลูก 3, สามซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่สี่ผูกอาหารให้ฉันทานสไยนาอุมัดไม่เคยตําหนิอาหารกูกินไม่ลงไม่มีภาษานี้ไม่มีอร่อยเสมอแล้วก็ถ้าจะขอเกลือน้ําตาลก็ว่ากับพ่อที่านแต่ไม่เคยตําหนิอาหารเอาซุน่านะบีมาใชา้ سبحانك اللهم أحببك سلام الله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته